เล่นธรรมะนะต้องคอยสังเกตตัวเองไปเราปฏิบัติอยู่นะอกุศลที่เคยมีเนี่ยมันลดลงไปไหมอกุศลใหม่เกิดขึ้นได้ไหมกุศลที่มีอยู่ที่ไม่เคยมีมีขึ้นมาไหมที่เคยมีแล้วพัฒนาขึ้นไปหรือเปล่าอย่าศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยมากขึ้นไหมคนไม่เคยมีศีลภาวนาแล้วมีศีลนะจิตไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมัน่น เข้าถึงความสงบความตั้งมั่นไม่เคยรู้ความจริงของกายของใจอยู่กับกายกับใจมาแต่เกิดเลยไม่เคยรู้สึกแล้ก็ามารู้กายรู้ใจมาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้อย่างนี้เรียกว่ากุศลแล้วเจริญขึ้นถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องนะตามคาสอนพระพุทธเจ้าจริงๆนะมันจะมีเรียกความเพี่ยนชอบสัมมาวายามะองค์ประกอบของสัมมาวายามะ ปฏิบัติแล้วก็อากูศลที่มีอยู่ถูกละไปอากูศลใหม่ไม่เกิดขึ้นมากูศลที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นมาที่มีแล้วก็งอกงามพัฒนาไปบูรณขึ้นเราต้องวัดใจตัวเองได้ถ้าภาวนาถูกต้องดีขึ้นต้องเหลียวน้อยลงเรื่อยๆถ้าภาวนาแล้ ว, วาาก็ร้ายยิ่งภาวนายิ่งโมโหอะไรนีนน่ไม่ใช่ละอย่างพวกภาวนาแล้วติดสมถะนะ ยิ่งภาวนาแล้จะขี้โมโหมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ยังมีแรงเพ่งอยู่ก็สงบอยู่หมดแรงเพ่งเมื่อไหร่นะร้ายมากเลยร้ายสุดๆเลยให้กิเลสมันถูกเก็บกดเอาไว้นานถ้าเราจเจริญสติเป็นนะกิเลสจะค่อยเบาบางไปพอสติเราเร็วขึ้นเบื้องต้นนก็อาศัยสติรู้ทัน ท, ทันทีที่กิเลสเกิดขึ้นแล้วสติรู้ทันกิเลสจะดับไปโดยอัตโนมัติแต่เดี๋ยวเกิดอีก เกิได้อีกถ้าเชื่อของความไม่รู้ยังมีอยู่แต่มามีปัญญามีปัญญาเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจเป็นตัวทุกข์ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกิเลสจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมันปลุงขึ้นมาไม่ได้เที่นันจะล้รักิเลสนะี่ยทำได้หลายแบบเวลาที่กิเลสเกิดนะตอบสนองกิเลส่อช่วยละกิเลสได้อยากดูหนังไปดูหนังก็าหายอยาก อยากฟังเพลงไปฟังเพลงก็หายอยากอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนตอบสนองกิเลสกิเลสก็หายไปนี่เป็นวิธีอยากโลกโลกอีกวิธีหนึ่งก็ทาสมถะทาสมถะไว้โกรธขึ้นมาก็จเจริญเมตตาไปมีราคะขึ้นมาก็พิจรารณาสุภาดูปฏิกูนดูสุภาษายฟุ้งซ่านก็มาอยู่กับลมหายใจมานาปนานสติมีโมหะค่อยๆทำไป มันก็ข่มกิเลสไม่เหมือนกันผมไม่ได้ชั่วคราวนะกิเลสช่วงที่ยังทรงสมาธิอยู่ก็ไม่มีไม่ทํางานขึ้นมาหมดแรงทําสมาธิเมื่อไหร่กิเลสจะตีคืนมาแล้วแรงกว่าคนทั่วๆไปอีกอย่างหนึง่งละด้วยสติกิเลสเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันกิเลสจะดับเป็นขณะขณะไปถ้าปลุงขึ้นใหม่ก็เกิดขึ้นอีกนะพอรู้ทันก็ดับไปอีก ก็ยังเกิดดับได้อีก น, ะนี่รักด้วยสติรักด้วยปัญญานละ้วจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปได้จะค่อยๆขุดรากถอนโคนต้นต่อของกิเลส ท, ทั้งหลายคือตัวอวิชชาถ้าอาวิชชายังไม่ถูกรากกิเลสอื่นๆยังงอกงามขึ้นมาได้อีกมีโอกาสเกิดได้อีกถ้าขุดรากถอนโคนแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดมีแต่นับวันต้องตายไปเรื่อยๆเหมือนต้นไม้นะถูกทําลายรากไปแล้วต้นไม้ต้องตายแล้ว ได้รากยังอยู่เดี๋ยวก่อกอีกนี่ทําไงจะทําลายอาวิชชาได้ก็ต้องสร้างวิชาขึ้นมาวิชาก็เอาวิชาเป็นสิ่งตรงข้ามกันอาวิชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจ ส, สี่วิชาคือความรู้แจ้งอริยสัจ ส, สี่อริยสัจ ส, สี่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้รู้แจ้งได้รู้อะไรบ้างรู้ว่าอริยสัจ ส, สีประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจ สมุทยัทยคือความอยากคือตัวตัณหาความดิ้นรนของจิตนิโรธคือสภาวะที่จิตพ้นจากตัณหานิโรธคือสภาวะที่ไม่มีตัณหาคือนิพพานมรรคก็คือการที่มีสติรู้ทุกข์นั่นแหละมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปนี่เรียกการเจริญมรรครู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งมันวางกายวางใจไม่เห็นนิพพานตอนที่อริยมรรคเกิดไน่เห็นนิพพาน หน้าที่ต่อทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ต้องรู้ไม่ใช่แค่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคต้องรู้กิจต่อทุกสมุทัยนิโรธมรรคด้วยกิตต่อทุกคือการรู้ไม่ใช่การละคนในโลกนี้อยากจะละทุกไม่ยอมรู้ทุกหรอกไม่อยากเห็นทุกเลยไม่เห็นทุกไม่เข้าใจชีวิตหรอกเพราะชีวิตจริงๆคือทุกการรู้ทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้หน้าที่ต่อทุกไม่ใช่ละนะ ในโลกอยากละทุกเไม่งั้นไม่มีวันล้าเลยไม่มีวันพ้นทุกได้แต่ถ้ารู้ทุกคือรู้อะไรทุกคือกายกับใจเพราะรู้รูปรู้นามรู้กาย ร, รู้ใจไปด้วยจนเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของมันนะใจอย่าไม่ยึดถือมันพอ ร, รู้ทุกแจ่มแจ้งนะสมูทยัยก็ทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ต่อสมูทัยคือการละละสันหาละตันหาไม่ได้ละเป็นคราวๆอย่างตอบสนองตันหาได้ก็ละได้ก็หายหมดความอยากไปชั่วคราว ทำสมถาก็ขม่มตัณหาไปชั่วคราวมีสติรู้ทันตัณหาที่เกิดตัณหาก็ดับไปชั่วคราวเดี๋ยวมีอีกแต่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแนละ้วรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วตัณหาจะถูกละละครั้งเดียวละแล้วไม่มีอีกละละแล้วเป็นสมุทเฉดขาดสะบั้นไม่มีขึ้นมาอีกเพราะอะไรถ้าเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีก ความอยากทั้งหลายแหละนะมันรวมลงที่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันอยากอยู่อย่างนี้เท่านั้นแหละที่อยากสารพัดอยากแลเพื่ออยากให้กายให้ใจมันเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มมีเท่านี้อยากได้รถยนต์สักคันนะไหเพื่อให้ร่างกายมีความสุขอยากได้รถยี่ห้อนี้นี่เท่ๆดังๆแพงๆนี่เพื่อให้จิตใจมีความสุขอยากสารพัดอยากแล้มันก็เพื่อให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ ถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วจะอยากทําไมไม่มีความอยากเกิดขึ้นันเมื่ อ, อไหร่รู้ทุกข์แก่แจ้งแนละ้วเมื่อนั้นละสมุทยัยเด็ดขาดละแล้วละเลยไม่เกิดขึ้นอีกแล้วไม่ต้องละซ้ําอีกแล้วนี่คือการละด้วยอริยมรรคนิโรธในขณะที่เราละสมุทยัยเด็ดขาดนั้น น, นิโรธก็ปรากฏคือ น, นิพพานปรากฏเลยเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะสิ้นความปรุงแต่งเรื่องวิสังขาร หลุดพ้นจากความยึดถือในรูปในนามในกายในใจเรียกว่าวิมุตต์มันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปเรียกปฏินิสักะสลัดคืนนะไม่มีความมาลาวอนในกายในใจเรียกอนาระยะไม่มีความมาลายนี่เป็นสภาวะที่ใจมเข้าไปถึงนิพพานหน้าที่ตอนนิโรธหน้าที่ตอนิพพานคือเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นไม่ได้ทําหน้าที่ให้นิพพานเกิดขึ้นไม่ได้สร้างนิพพานนะ ไม่ได้มีหน้าที่ไปสร้างนิพพานเพราะนิพพานมีอยู่แล้วตัณหานั้นมันขึ้นมามันปิดบังทําให้เราไม่เห็นนิพพานเมื่อไรพ้นจากตัณหาเด็ดขาดไปก็จะเห็นนิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาฉนั้นความสิ้นตัณหานั้นมีอยู่แล้วอย่างสภาวะว่างๆขณะนี้มีอยู่แล้วเราจุดไฟขึ้นมากองนึงเราเติมเชื้อไปเรื่อยมันมีไฟนะพอเราไม่เติมเชื้อไปกองไฟนี้นก็ดับไปกลับไปสู่ความไม่มีขึ้นมาอีกแล้ว ความไม่มีมันก็มีอยู่อย่างนั้นเองไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เห็นนิพานมีอยู่ตลอดเลยหน้าที่ของเราคือเข้าไปประจักษนานิพานถ้าได้โสดานะจะประจักษ์พระนิพานชั่วขณะแวบหนึ่งยังจําไม่แม่นเหมือนเวลาคืนเดือนมืดสนิทนะเราฟ้าแลบขึ้นมาแลบขึ้นมามองเห็นอะไรนะเห็นนิดๆหน่อยๆ น, นะแวบเดียวดับไปแล้วมองไม่เห็นแนะ้ตอนที่ได้สกทาคานะมันเหมือนเห็นโลกในคืนที่เดือนมืดสนิทเลย มีแสงดาวสว่างๆเห็นตะคุ่มตะคุ่มเห็นไม่ชัดแต่เห็นเห็นได้นานกว่าตอนฟ้าแลบได้พระนาคานะจะเห็นพระนิพพานเนี่ยเหมือนเห็นในแสงจันทร์เห็นอยู่กลางแสงจันทร์เห็นได้ชัดขึ้นถ้าเป็นพระอรหันต์นะจะเห็นนิพพานเหมือนเราอยู่กลางแจ้งเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นน่ะนิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยอยู่ต่อหน้าตากัเยนึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นนิพพานเป็นบรเมสรสุขนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานว่าง ว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากขันว่างจากทุกข์นะว่างจากความแปรปรวนทั้งหลายมีความสุขนั้นหน้าที่ของเราต่อ น, นิพพานคือการเข้าไปเห็นนิพพานเข้าไปประจักษ์เนียกสัจจิกิริยานะการที่เรารู้ทุกข์จนกระทั่งมันละสมุ ท, ทยัยมันแจ้งนิโรธแจ้งนิพพานได้อันนั้นแหละเรียกว่ามักเพราะั้นถ้าใครเขาถามเรามักมีเป็นยังไงเวลาที่มีมักเนี่ยนะมันจะรู้ทุกข์ละสมุ ท, ทยัยแจ้งนิโรธในขณะนั้น ทำกิจของอริยสัตว์ ท, ทีเดียวเสร็จเลยหน้าที่ต่อมักคือการเจริญมักเบื้องต้นมีได้โสดาปฏิมักยังไม่เคยมีโสดาปฏิมักทําให้มีขึ้นมาเรียกว่าภาวนากิจทําให้เจริญขึ้นมาได้โสดาแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยได้สกทาขามีมักนี่ทำมักให้เจริญขึ้นนะจนได้อรหัตมักนะหน้าที่ต่อมักคือรรทําให้เจริญขึ้นหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ทุกคือกายกระใจเมื่อรู้ก่ ร, รู้ใจ หน้าที่ต่อสมุทัยคือการละละตันหาถ้าละเด็ดขาดก็ต้องรู้กายรู้ใจจนไม่ยึดถือแล้วมันละเด็ดขาดหน้าที่ตอนนี้โรดคือนิพพานเนี่ยก็ได้แก่การเข้าไปประจักษ์จะประจักษ์นิพพานได้ถ้าใจพ้นความปรุงแต่งพ้นความดิ้นรนเพราะสิ้นตันหาเนะี่ยใจจะสิ้นตันหาได้เนีเพรา ะ, จะเจริญมัสมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปจนกระทั่งมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจเห็นพระนิพพานหน้าที่ของมัชฌก็จบตรงที่ไปเห็นพระนิพพาน ถัดจากนั้นเป็นผลนะไม่ใช่มรรคเคยได้ยินไหมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคนโบราณชอบขอนะทำบุญขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขอเรื่อยไปไม่ได้หรอกต้องภาวนางั้นพวกเราภาวนาไปนะชีวิตเราจะดีขึ้นชีวิตเราจะสงบสุขมีสันติสุขไม่เห็นอะไรมีความสุขเหมือนธรรมะเลยมันมีสันติสุขจริงๆตัวสันตินั่นแหละคือตัวนิพพาน ถ้าใครเขาถามเราว่านิพานมีสภาวะอย่างไรเหมือนไฟเนี่ยไฟมีสภาวะคือร้อนมีลักษณะคือร้อนใช่ไหมลมมีสภาวะคือเคลื่อนไหวนะความโกรธใช่ไหมมีสภาวะเผาผลาญทําลายอะไรเงี้ยนะความรักมีสภาวะดึงเข้ามามีสภาวะแล้วนิพานมีสภาวะอะไรนิพานมีลักษณะมีลักษณะสันติลักษณะสันติอะไรคือตัวนิพานสงบ สงบจากจิเลสสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากขันสงบจากทุกข์นะถ้าเราฝึกไปนะเราก็จะเข้าใกล้พระนิพพานขึ้นไปทุกวันทุกวันด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปเราจะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะร่มเย็นนะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปถวยกันบ้านเมื่อวานมาอยู่วัดก็นั่งปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ แล้วก็เห็นก้อนแน่นๆขึ้นมาที่หน้าอกออาจารย์ก้อนี้เป็นมิบากนะเป็นทุกข์ค่ะพระอาจารย์ห้ามไม่ได้หรอกก็ดูเข้าไปก็เห็นความแตกกระจายของเขาอค่ะพอแตกกระจายสักพักหนึ่งเขาก็มารวมใหม่แล้วเขาก็แตกใหม่อหลวงพ่อนะไปเรียนจากหลวงปู่ดุลครั้งแรกมาเห็นก้อนเนี้แล้วก็หาทางทําให้แตกอทําอยู่สมเดือนนะกลับไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่ดูลยหลวงปู่ดุลบอกทําผิด โอ้พอดีลูกได้พระ้าจารย์ปลาโมดเป็นผ้าจารย์ก็เลยทําให้ดูรู้เขาไปเฉยๆนะคะพระอาจารย์ก็เลยเห็นความดับขวงมเขาอะโอ้ดีพร <c oughs> ะหลวงพ่อผิดมาแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเลยที่ผิดน ะ, ะเห็นก้อนอนี้นะหาทางระเบิดเหมือนเลยตัวนี้เป็นผล<อ>เป็นตัววิบากสิ่งใดที่เป็นตัววิบากเนี่ยเราทํำลายไม่ได้แก้ไขไม่ได้ต้องชดใช้นะพระอาจารย์ อย่างเราเอามือไปชกกาแพงชกเปรี้ยงเลยชกอย่างแรงมือเจ็บมือเจ็บเป็นวิบากยังไงก็เจ็บ <c oughs> ถ้าไม่เซอร์ไปชกมันก็ไม่เจ็บ <c oughs> งั้นจัดการตรงไหนตรงที่กิเลสเพอมีกิเลสก็เกิดการกระทํามีการกระทําก็มีวิบากการกระทําคือกรรม <c oughs> มีกิเลสแล้วก็มีกรรมแล้ว ก, ก็มีวิบากวิบากแก้ไม่ได้ตัวทุกข์เป็นตัววิบากตัวอะไรเป็นตัวกรรมตัวเจตนาตัวความปรุงแต่งเนี่ย ที่จงใจทำเนี่ยเป็นตัวกรรม <Okay. S 1> อะไรเป็นตัวกิเลสล่ะวิชาตันหาอุปาทานไนระ้กระราค้าโทสามโมหะพวกนี้ตัวกิเลส <Okay. S 1> ถ้าเรามีสติไวนะเราเห็นกิเลสเนี่ย <Okay. S 1> ก็ไม่เกิดการกระทํากรรมถ้าไม่มีการกระทํากรรมก็ไม่มีกรรม้อนให้ต้องแก้ไข <Okay. S 1> น ะ, ะดูไปลูกเดียวเลยดลเดยสบายกว่าหลวงพ่ออย่างน้อยก็3เดือนแล้วเพราะได้พระ อ, อ, อาจารย์เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้อาจารย์ดีกว่าของโยมอีก ก็ได้หลวงปุดูลเป็นอาจารย์แต่หลวงปูดูลนั่นเป็นครูที่โหจะว่าโหดก็โหดนะให้ทดลองเอาเองแตการที่เราไปลองผิดลองถูกเนะี่ยนั้นมันทําให้เราแกล่งมากเลยลองทีไรผิดทุกทีท่านคงอยากให้ผ้าจารย์มีประสบการณ์เยอะๆจะได้เอามาสอนลูกศิษย์ลูกหาะะท่านก็คงว่าอย่างนั้นแหละงั้นไอ้ที่หลอยถ้วยทําผิดนั้นหลวงพ่อผิดมาเยอะมากเลยน้ำมัสการเจ้าค่ะ คือมีข้อสงสัยฟังซีดีท่านมาประมาณปีหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วการปฏิบัติของหนูเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่มีความสเห็นใจไม่ชอบไหมเห็นไหมมันไม่สงบแต่ใจไม่ชอบดูผิดตัวนะไม่ใช่ไปดูให้สงบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอันแรกเลยหันรู้สภาวะให้จิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอันที่สองต้องรู้ด้วยความเป็นกลางของโยมมีความไม่เป็นกลางคือไม่ชอบ นั่นแหละไปดูที่ไม่ชอบดูผิดตัวอ้โแล้ววิหารธรรมของลูกอะค่ะดยจิตไปเราเป็นนักชิดอาชีพนะดูจิตไปเรื่อยเอต่อไปเบอร์สิบสี่กราบนมัสปาหลวงพ่อครับดูมาประมาณสองปีครับผ ม, มรู้สึกว่าจะดูได้ละเอียดขึ้นนั่นแหละนะภาวนาดีขึ้นนะแล้วก็แต่ว่ายังมีรู้สึกว่ายังเจือด้วยความจงใจเยอะครับจงใจให้รู้นะครับ เบื้องต้นก็จงใจธรรมดาไม่จงใจเลยก็หลงไปนานนี้พอจงใจเราก็แน่นๆขึ้นมาเราก็รู้เอาต่อไปต้องหัดรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางตอนนี้คุณเห็นสภาวะเยอะแยะแล้วนะแต่ใจยังไม่ค่อยเป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางบ่อยๆดีโมทนาหลว ง, งพ่อครับขออนุ ญ, ญาตพอดีลูกชายเขาฝากถามมาว่าจีควบเท่าไรนะเจ็ดแล้วหรอว่ามา ยังไม่รู้ว่าหนูดูเป็นรืยังอ่ะดูอะไรอ่ะดูจิตดูจิตเหรอเคยเห็นเวลาอยากกินขนมเคยรู้ไหมยังไม่รู้เวลาอยากดูกระตูนรู้ไหมว่าใจมันอยากรู้สึกไหมแต่และ ว, วันเรารักพ่อไม่เท่ากันรู้สึกอเออเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตเป็นนะเพราะฉั้นวันนี้เรารักพ่อเยอะเรารู้ว่ารักเยอะวันนี้เรารักน้อยเรารู้ว่ารักน้อยเคยโกรธพ่อไหม วเวลาโกรธพ่อเรารู้ว่าใจกำลังโกรธนะฝึกอย่างนี้นะเรียกว่าดูจิตอเบอร์ปบปอยู่ข้างหน้านี่น้องสกายหลวงพ่อค่ะพอดีอยากเจอขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยดังนิดเธอไม่ได้ยินะจะขอคำแนะนำของ <ยบ S 1> หลวงพ่อยกมาอย่างนี้ จะขอแนะนำคำแนะนําของหลวงพ่อว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยขาดเกินอย่างไรบ้างะคะที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะทําสม่ําเสมอนะทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบไปเรื่อยจิตมีแรงดีแต่จิตไม่ถึงฐานนะตอนเนี้ยดูออกไหมอ เ, เออตอนเนี้ยมันกระจายออกไปมันว่างๆโล่งๆออกไปข้างน้องะแล้วต้องรู้ยังไงคะให้รู้ทันกลับมารู้ร่างกายไปก็ได้ดูกายบ้างนะ ใจจะได้ไม่หนีไปไกลกลับมาที่กายอย่างน้อยกายก็เป็นบ้านของใจลกลับมาที่บ้านเดี๋ยวก็เห็นเจ้าของบ้านร้อยเจ็ดสิบสี่ดีใจไหมร้อยเจ็ดสิบสี่ดีใจค่ะทุวพ่อโอ้เสียงดังๆนี่<ด><ด>สักใจเลยค่ดีใจแล้วทำยังไงดี มิจต์นี้ใจดีใจให้รู้ว่าดีใจนะเราดูไปเรื่อยเราจะเห็นว่าความดีใจก็ไม่เที่ยงครับเดี๋ยวเวลามิไต์เวลานางก็มาทานจะปวดเอวมากเลยค่ะวนมีอะไรมากกนเลยค่ะเหลอนั่งเก้าอี้ก็ได้ค่ะนะมันปวดเอวเพานั่งเก้าอี้เอาแต่ก่อนในขีมาโหมากเลยค่ะเดี๋ยวเรียนรีขึ้นนล้ค่ะเวลาโมโหเรารู้ทันใช่ไหมรู้ทันพอเรารู้ทันมันก็ลดลงไปเองค่ะดีต่อไปดูใหม่ร่างกายที่ปวดไม่ใช่ตัวเราครับ ดูอย่างนี้บ่อยๆนะร่างกายมันปวดนะใจไม่ปวดแยกกันกายกับใจแยกกัน<ะ>ดีภาว น, นาใช้ได้เบอร์ร้อยห้าที่นี้ครับก็มามาหลายครั้งแล้วก็เพิ่งมาได้ถามหลวงพ่อครับก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นปนกับมีความสุขครับก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อครับเพราะเมื่อก่อนผมเนี่ยติด บ, บังคับติดเพ่งค่อน ข, ข้างเยอะครับ แล้วตอนครั้งบางครั้งมีความสึกอยากปล่อยให้ให้ไม่บังคับมากครับทีนี้ผมก็เห็นกิเลสก็ยังชัดมากในในหลายาหลายเรื่องครับทีนี้อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ทำอยู่เนี่ยหลวงพ่อว่าน่าจะเพิ่มเติมตรงส่วนไหนใช่ได้นะพยายามรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตสภาวะทั้งหลายไปพอเห็นสภาวะแล้วจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายเรารู้ทัน นะรู้จักสภาวะใจลอยแล้วใช่ไหมสภาวะที่จิตลงไปคิดรู้สึกไหมเกิดทั้งวันเห็นไหมพอรู้ทันจิตก็เบิกบานตัวจิตโดยตัวของมันนะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วแต่ว่าถูกกิเลสบังเอาไว้เนี่ยตอนเนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมทราบครับนะก็แค่รู้ไปเรื่อยนะรู้ไปสบายๆใช้ได้คุณดีแล้วถ้าในปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยครับเรื่องสมาธิอย่างนี้ครับผมควรจะน้อยทาให้น้อยลงไหมครับ ไม่ต้องนะต่นี้ใช้ไดนะ้89อยู่ข้างหลังกลับมาที่วัดครั้งแรกครับฟังซีดีหลวงพ่อมาพักหนึ่งแล้วอะฮะก็น่าจะเป็นนักเพลงเหมืออาชีพเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าโดยธรรมชาติของจิตมันจะค่อนข้างจะดือ้อครับมันจะแบ่งเป็นสองตัวอยู่เสมอเลยก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยะครับมันดื้อก็ไม่ว่ามันนะไปว่ามันมันก็ไม่เชื่อเราหรอก นะดูมันทำงานไปเหมือนเห็นคนอื่นด้วยดูมันทำงานไปเรื่อยๆทำตัวเป็นแค่คนดูอย่างตอนนี้ใจหลงไปคิดแล้วทราบไหมเห็นครับเออนะหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้รู้บ่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้หลงนะพวกเราจำไว้นะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้หลงแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตจะรู้หรือจิตจะหลงนะก็อยู่ชั่วคราวทั้งคู่เลยจิตจะรู้ก็สั่งให้รู้ไม่ได้จิตจะหลงห้ามมันก็ไม่ได้รู้แล้วรักษาก็ไม่ได้ จิต ท, ที่รู้เป็นตัวแทนของจิต ท, ที่เป็นกุศลจิต ท, ที่หลงเป็นตัวแทนของอกุศลมีตัวแทนเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเรียนแต่เราจะเห็นเลยทั้งคู่นี้เสมอกันคือเกิดแล้วก็ดับเสมอกันบังคับไม่ได้เสมอกันเพราะฉนั้นต่อไปจิตเรารู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่อาศัยเรียนรู้แค่เนี้ย่สุ่มตัวอย่างมาเรียนคู่เดียวเช่นจิตรู้กับจิตหลงเรารู้ความจริงว่าสองตัวนี้น่าเกิดแล้วดับเหมือนๆกันบังคับไม่ได้เหมือนๆกัน จิตมันจะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่เกิดแล้วดับเหมือนกัน บ, บังคับไม่ได้เหมือนกันจิตที่เห็นตรงนี้จะเป็นพระโสดาบันนะอย่างตอนนี้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมครับแล้วซึมไปนิดหนึ่งทราบไหม <c oughs> นะเอออย่าให้ซึมนะตอนนี้เริ่มเพ่งละวเอาเบอร์ร้อยแปอยู่ข้างหลังนมันส ก, การหลวงพ่อครับ อ, อ, อยากทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วนะ รู้สึกใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นไหมเป็นบางครั้งครับด<ว>ูออกไหมแล้วสังเกตใจที่หงุดหงิดเป็นไหมครับนะใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆดูมันทํางานไปอย่างตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมทราบครับรู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกแล้วของคุณเคลื่อนไหวร่างกายไหมกระดุกกระดิกแล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไม่ด้วยนะมันะจะทําให้ดูจิตได้ชัดขึ้นอาเบิร์ตหกสิบแดอะหกสบแปอยู่ข้างหน้า หกสิบมากไปค่ะคือปฏิบัติมาฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วปฏิบัติมา3เดือนแต่ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าถูกเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตยังเห็นค่ะเห็นไหมมันโปรงโล่งเบาขึ้นมานะแล้วมันเคลื่อนไหวทั้งวันเลยดูออกยังเพราะบางทีไม่แน่ใจว่าจงใจไปรู้หรือเปล่าถ้าจงใจรู้เนี่ยสังเกตง่ายๆถ้าจงใจรู้จิตจะแน่นๆจะอึดอัดนะถ้ารู้ไปแล้วใจโปร่งโล่งเบาสบายเนี่อรู้จริงๆนะเนี่ยรู้สึกไหมจิตเบิกบานขึ้นมา เราไม่ต้องทําอะไรมันดีอยู่แล้วอยไปยุ่งกับมันเท่นั้นนะแล้วก็คอยเรียนรู้ไปจิตโดยตัวของมันมันดีอยู่แล้วนะมันประพัฒสอนมันผ่องใสมันสว่างมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแต่มันโง่เพราะฉั้นมันจะกลับไปยึดไปถืออะไรตัดสารพัดเลยเราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้จิตดีนะจิตมันดีอยู่แล้วเราอย่าไปทํามันชั่วก็แล้วกันเพียงแต่เราภาวนาไปเพื่อให้มันฉลาดให้มันรู้ความจริงว่าถ้าเมื่อไร่มันอยากขึ้นมาเมื่อไหรมันยึดขึ้นมามันก็ทุกข์เมื่อนั้นเรียนรู้ไปเรื่อยๆ แต่ไปไ<ม>จิตฉลาดไม่เอาอะไรละเอาว่าไปไต้องดูอย่างนี้ต่อไปถูกไหมคะถูกนะแต่อย่าเพง่งตอนนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมหนักขึ้นมาไม่ค่อยชัดค่ะรู้สึกไหมมันแน่นแน่นรู้สึกไห่อึอดอัดไม่แจ่มใสร้อยเปอร์เซนต์ดูออกไหมนี่เพราะเราเพ่งเอาไว้นะตอนนี้ใจแอบไปคิดซ้ำไหมหลวงพ่อบอกแล้วมองเห็นไหม ออถ้าบอกแล้วว่าเห็นได้ใช้ได้ถ้าบอกแล้วไม่เห็นนะให้มารู้กายไว้แสดงว่าดูจิตไม่ออกก็ดูกายจำไว้นะดูจิตถูกต้องก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุตตุดูกายได้ถูกต้องก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์เหมือนกันเลยนะลงไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้นะเอาร้อยหกสิบหกขออีกคําถามหนึ่งไม่ได้ไหมครขอว<ะ>ิหารธรรมค่ะกระดูกระดิกไหมเคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งนั่งนิ่งแล้วซึม ร6อนี่อยู่ข้างหน้านกลับมานมัสการครับหลวงพ่อคือผมทํางานแล้วกลับบ้านไปเอาวิบากกลับไปเยอะครับมีทาง ท, ทํายังไงให้เอากลับไปน้อยๆไหมครับตื่นเช้ามาน ะ, จะเจริญสติไว้ก่อนระหว่างนั่งรถไปทํางานนะจะริญสติไปเวลาทํางานนะถ้ามีเวลาเหลือนิดๆหน่อยๆเรารู้สึกไปถ้ารู้สึกใจได้รู้สึกไปหรือรู้สึกจิตใจไม่ได้ดูกายไป เช่นเวลาเดินไปห้องน้ําเวลาไปกินข้าวเวลาโทรศัพท์ดังจะหันไปรับโทรศัพท์เนี่ยรู้สึกไปเก็บคะแน น, น, นระหว่างวันเลยเวลากลางคืนจะภาวนาง่ายถ้ากลาวันเราทิ้งเลยนะกลางคืนภาวนาไม่ไหวครับขอบคุณครับเบอร์สองอยู่ข้างหลังกาบหลวงพ่อค่ะคือจะมีเรื่องสงสัยอยู่สองสามเรื่องค่ะคืออย่างอย่างตอนนี้บางครั้งช่วงที่ระหว่างวันนะคะก็จะเห็นว่า ที่หลวงพ่อบอกว่าใ ห, ใหด้ดูร่างกายมันเดินนะคะคือพอแว บ, บแรกที่เริ่มมีสติเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราเดินเสร็จแล้วคำหลวงพ่อก็จะพูดขึ้นมาอคะ่ะแล้วก็จะมาดูว่าร่างกายมันเดินนะคะอย่างเงี้ยเห็นเป็นช่วงๆไ ม, ม่ทราบว่าที่ผ่านมานี้ดูถูกไหมคะดูถูกนะทีแรกมันก็รู้สึกว่าเราเดินรู้สึกว่าเราคิดรู้สึกว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเราสุขเราทุกข์ ค่อยๆหันดูไปเราจะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนร่างกายให้ยใจออกหาใจเข้าร่างกายกินข้าวร่างกายขับถ่ายเราเป็นคนดูเฉยๆนะร่างกายสุกร่างกายทุกเนี่ยใจก็เหมือนกันเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใจมันเป็นไม่ใช่เราเป็นาาค่อยๆดูจนกระทั่งเห็นกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอีกเรื่องหนึ่งคือบางทีรู้สึกว่าพอเห็นพอมีสติปุ๊บแล้วมันเกิดช่องว่างอย่อางเงี้ยค่ะบางที ม, งนะมันคิดว่าเอ้ยมัน คือไม่แน่ใจว่าที่ที่รู้รู้สึกขึ้นมาว่าอุย้ยมันดับไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้มันเป็นความคิดหรือว่ามันเป็ น, ปนจิตที่เห็นมันเห็นสิมันเห็นเองเออ<ช>มันเห็นจริงๆหน้นะตอนเนี้ยค่ะแนแล้วมันจะดับไปมีช่องว่างมาขั้นหน่อยคนละอันกันไม่ใช่ตัวเดิมลนะคืออ๋อคือไม่ใช่ว่าปรีบูงแต่งว่าคิดอย่างงี้ใช่ไหมคะเออไม่ใช่ไ ม, ไม่ต้องไปคิดนำนะดูไปได้ที่ผ่านมานี้ ดีขึ้นแล้วล่ะรู้สึกไหมแต่ก่อนนี้เราเป็นคนสี่เรียดรู้สึกไหมค่ะตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นแล้วร<ะ>้อยสามเก้า<ะ>ข้างหลังด้านหลัง<ะ>ดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่หลงใจไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐาน กลับกลับนรำมศ ก, การหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะคะเริ่มรู้จักกับเสดีหลวงพ่อเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วคะ่ะแล้วก็เริ่มจะมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยเมื่อประมาณ9เดือนนะคะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากปฏิบัติอย่างแรงเลยคะ่ะแล้วก็จะเห็นจิตออกไปทางนึงแล้วก็เราเนี่ยออกไปทางนึงแล้วก็จะเห็นกายเราอยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยคิดว่ามัน มันตั้งใจอยากจะอยากจะปฏิบัติมากเกินไปอะคะ่ะทีนี้พอตอนหลังก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าพยายามมากไปไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มปล่อยอะคะ่ะแล้วก็ปฏิบัติให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ที่ปฏิบัติเนี่ยบางทีก็จะเห็นตามจิตรู้บ้างแล้วก็เห็นกายบ้างอะคะ่ะถูกต้องนะบางทีก็จะรู้สึกว่าสมมติว่าทานอาหารอร่อยเนะะี่ยค่ะก็จะแบบรู้สึก จะได้ยินเสียงมาเองว่าฮันแนอร่อยใช่ไหมอะยรน่ะหลวงพ่อแล้วมันมันจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะไม่จำเป็นนะแต่เบื้องต้นมันจะช่างพูดก็ห้ามมันไม่ได้หรอกอีหน่อยมันก็เลิกพูดค่ะแล้วเราปัจจุบันนี้หนูปฏิบัติยังไงหรือว่าหลวงพ่อมีแนะนำอะไรไ้ยคะต่อไปนะที่ทำอยู่ดีละหลวงพ่อไม่ไม่ต้องเอาใจคนมาใหม่นะคะคือสามารถได้เลยค่ะใช้ได้ไปดูเอานะ กลัวหลวงพ่อเอาใจค่ะเพราะฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อชอบบอกว่าเนี่ยเอาใจคนมาใหม่ก่อนเห็นไ้มคนมาใหม่ชักหลงแล้วเรารู้อย่างนี้นะที่ฝึกอยู่เเดือนใช้ได้แล้วแล้วอีกปีกับอีกตามเดือนหายไปไหนอ่ะอ๋อตอนนั้นฟังมั่งไม่ฟังมั่งเลยค่ะมีนะบางคนมีเวณมีกรรมเพื่อนให้ซ d ดีหลวงพ่อไปนะไปเก็บไว้เฉยๆขี้เกียจฟัง มันก็ทุกแสนสหาหัสนะวันหนึ่งมันไม่รู้จะฟังในเพลงที่ฟังมาจนเบื่อแล้วว่ า, าฟัง <c oughs> <laughs> ตั้งแต่นั้นมันทิ้งเพลงไปเลยมาฟังซีดีนะจิตมันเปลี่ยนเมืจิตเราเปลี่ยนแปลงเราจะรู้เลยธรรมะนี่ของจริงนะเราเปลี่ยนตัวเราเองได้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงๆค่ดะดีขึ้นค่ะร้อยเก้าสิบห้าลวงพ่อค่ะอืออ่ะไปข้างหลังดีใจไหมร้อยเก้าสิบห้าตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นครับ <c oughs> กับนอส ก, การกคับหลวงพ่อเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีหนึงละก็พยายามฝึกปฏิบัติตามในซีดีนั้นก็รู้รู้สึกรู้สึกส ก, กายรู้สึกใจได้พอสมควรดีนะส่วนใหญ่ก็ยังหลงอยู่ส่วนมากนะครับหลงไปทางไหนล่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญลงไปทางคิดครับโอ้ถูกต้องแสดง ว, ว่าดูเป็น ถูกต้องดูอีกนะแต่ของคุณสิ่งที่จะช่วยคุณได้นั้นก็คือหารูปแบบมาทำบ้างนะเช่นไหว้พระสวดมนต์ไปซ้อมรู้ไปด้วยสวดมนต์ไปอะไรห้างซ้มมาใจลอยไปแล้วรู้ทันซ้ำพุทโธพักวาลอยไปอีกแล้วรู้ทันอย่างี้ซ้อมรู้ทันใจลอยรู้บ่อยๆนะครับแล้วในชีวิตจะจำมาเราสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น เบอร์แปดสิบสองวิหารธรรมหลวงพ่อนด่แหละนะทำสวดมนต์ไปบริกรรมอะไรไปแล้วก็รู้ทันจิตไปเรกยของคุณต้องดูจิตเอาแต่ว่าอาจจะสวดมนต์เป็นเครื่องช่วยไม่ให้หลงนานนิธีกรหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูหพ่งมาครั้งแรกแล้วก็ฟังซิดีหลวงพ่อได้ประมาณสองสาเดือนทีนี้อยากจะขอคำแนะนาหลวงพ่อถึงกรรมฐานที่เหมาะกับเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราไหมล่ะ เห็นความเตลี่ยนแปลงของตัวเองหมสองสามเดือนเนี้ก็ก็คือเหมือนกับว่ารู้รู้ได้อย่างว่าใจลอยบ่อยรู้ได้อย่างว่าขี้โมโหบ่อยเผลอจะรู้สึกว่าเผลออีกแล้วเผลออีกแลอวนะนี่นั่นแหละดีมัคือการรู้ทันตัวเองไปเรื่อยไม่ใช่ฝึกไม่ให้เผล่นะแต่ฝึกแล้วเราไม่เผลอนานเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไปหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้นี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างเกิดแล้วดับ เผลอไปก็กระดับรู้ก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับโดยอย่างนี้เรื่อยไปทีนี้หนูสับสนว่าหนูควรจะดูกายหรือดูจิตดูจิตไปอ๋อดูจิตเราเป็นคนช่างคิดเราไม่ได้รักสวยรักงามอะไรมากนักว่ะขอบคุณค่ะเบอร์35อยู่ข้างหน้าขอโอกาสเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะว่าที่ปฏิบัติอยู่อะค่ะทำอะไรผิดหรือว่าไม่ผิดหรอกนะก็หัดรู้สภาวะไปรู้สภาวะไปด้วยความเป็นกลางก็ถูกแล้ว ตอนนี้มีสภาวะอะไรบอกหลวงพ่อได้ไหมขนาดเนี้ยรู้ตัวได้ชัดเจนไหมนมีโมหะนะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะรู้ไปรู้แล้วทําไงอยากให้โมหะหายไหมอยากลดลงกว่าเมื่อก่อนถ้าอยากนะแสดงว่าไม่เป็นกลางใช่ไหมก็รู้ทันว่าจะอยากโมหะเป็นอดีตแต่ละใจที่อยากเป็นปัจจุบันสังเกตไหมตอนเนี้ยโมหะลดลงแล้วดูออกไหมมันน้อยลงแล้ว น้อยลงก็รู้ว่าน้อยลงแอบไปคิดแล้วทราบไห ม, มนะไม่ทาบใจลอยไปะนะใจลอยไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดแหละเพราะฉะนั้เราคอยรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันนะแล้วแถมมีงานจิตหลงไปคิดก็รู้ทันนะตัวนี้ห ล, ลงบ่อยค่ะหลงบ่อยค่ะเบอร์สี่สิบสี่ขอบคุณค่ะอยู่ข้างหน้าเบอร์ร้อยหกสิเอ็ดอยู่ตรงไหนอราอยู่ด้วยกัน เบอร์สี่ีก่อนคือส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนนะคะคือที่ทำอยู่ก็คือจะเห็นความเสื่อมความเจริญสลับกันไปเรื่อยๆอะคะ่ะหลวงพ่อแต่ว่าช่วงหลังสุดนี้รู้สึกจิตมันแอบไปเงียบๆบ่อยๆอะคะ่ะอืมให้รู้ทันนะอย่าให้มันไปนานอย่าไปค้างอยู่นั่นนัมันหนีค่ะหนีโลก<ง>ติดสมถะใช่ไหมคะมันหลบมันหนีความทุกข์ไ มันเริ่มออกมารู้แล้วนะว่ามันมีแต่ทุกข์รู้สึกไหมจิตมันบางทนไม่ไหวมันหนีให้รู้ทันว่ามันหนีคหนีไปช่วครั้งช่วคราวไม่เป็นไรอย่าให้ติดอยู่ตรงนั้นนะมันจะไม่เดินปัญญาที่ปฏิบัติมานี่แต่จิตตอนนี้มันมันอยากหนีอ่ะให้รู้ทันตัวนี้นะร้อยหกสิบใจให้เข้มแข็งไว้หนีไม่ไม่สามารถชนะได้นะการบัตรสการหลวงพ่อครับ คือเมื่อเดินทีแล้วผมมาส่งการบ้านแล้วก็ผมแบบอยากมากก็คือเพ่งจนกระทั่งแบบไม่มีแรงจะเพ่งแล้วอเงี้ยครับก็เลยช่วงเดินที่ผ่านมาก็เลยจงใจไปทําอย่างอื่นอ่านนิยายพวกเนี้ยครับแล้วอ่านเรื่องอะไ ร, รอ่ะอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ครับโอปัจจุบันนี้ก็มันรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ปฏิบัติหรือเปล่าแบบมัน ม, มนตอ น, ตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติได้แล้วใจเราไม่ได้ทื่อๆแล้ว แล้วก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปดูแฮร์รีพอตเตอร์แล้วก็มีความสุขเพรารู้นะดูแล้วความรู้สึกเกิดแล้วก็รู้เอาตอนอ่านแล้วมันใจมันไปสร้างภาพขึ้นมาเป็นเรื่องราวก็เลยเป็นรู้อย่างเงี้ยให้รู้ทันใจที่ปรุงแต่งนะแต่ไปอ่านแล้วไม่สนุกนะซีกนี้บ้างร้อยเก้าสิบหก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาครับคือมาคราวที่แล้วปีที่แล้วอะนะครับ แล้วก็รอบปีที่สองดีขึ้นหรือเปล่าครับดวออกไหมเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างรู้สึกใจมันเบาเบาขึ้นนะครับเออเบาแต่ไม่ประพองให้เบานะไม่ติดประคองให้เบาอย่าไปติดมันใจเราไม่เพ่งรุนแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วมันเพ่งไม่เบาเบาแต่ยังยังยังมีเพ่งครับมีเพ่งเยอะตอนเนี้ยกําลังเพ่งอยู่มันมันมันเหมือนเพ่งเป็นระยะครับห้ามมันไม่ได้ครับนะเพราะงั้นมันเพ่งรัวเพ่งเพ่งเราไม่ชอบรั่วไม่ชอบนะ รู้ทันไปเรื่อยคุณพาวนาดีขึ้นนะปีนี้ครับดีขอคำแนะนำหลวงพ่ออีกนิดนึงครับก็ตามรู้สึกไปนะดูกายบ้างดูใจบ้างไม่ได้ดูอันเดียวนะครับผดูทั้งกายทั้งใจพื้นเดิมคุณทำสมาธิมาเยอะดูกายไว้ห้สะดวกดีถนัดครับผมก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบ่อยๆดูไปดูไปดูกายไปเรื่อยพอใจมันหลงไปก็รู้ก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจอย่างตอนนี้หลงไปแล้วทราบไหม กลับลงไปคิดแอบลงไปคิดคคดีใช้ได้เบอร์ร้อยสี่บางคนบอกหลวงพ่อบอกดีทุกคนเลยถ้าสังเกตนะก็ <c oughs> แต่ก่อนมันดีแค่นี้ตอนนี้มันดีแค่นี้ก็ถือว่าดีใช่ไหมบางคนดีแค่นี้บางคนดีแค่นี้แต่ละคนไม่ได้แข่งกันนี่เราไม่ได้ตัดเกรดของคนอื่นนะเราดูตัวเราเองถ้ากุศลเราจเจริญขึ้นเอากุศลเสื่อมลงไปก็ดีทางนั้นแหละอ้าวเชิญฮะนมัส ก, การหลวงพ่อครับผม อย่าไปเพ่งนะครับอย่าน้อมใจให้ซึมให้นิ่งปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติตามดูไปเรื่อยๆรู้สึกร่างกายบ่อยๆด้วยนะรเราเป็นคนที่อะไรนี่อะไ ร, ร, ะไรตันหาจริตแรงเหมือนกันเพราะเรารู้กายด้วยครับก็ดูสลับกันนะสลับไปเอาตอนนี้สมาธิมันอ่อนแล้วหรอครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทํางานมันคิดเยอะครับอสมาธิมันน้อยไปเวลาสมาธิอ่อนเนี่ยวิธีที่จะช่วยเรานะมารู้กายบ่อยๆ รู้กายนะมันจะทำให้ใจมีแรงมากขึ้นถ้าไปดูจิตเลยเนี่ยเหนื่อยๆน่อยมาไปดูจิตเลยเดี๋ยวก็หลับมานะดูกายไว้ครับพอพอมีแรงแล้วก็ไปดูจิตพอหมดแรงมาดูกายร้อยสิบแปดกล่าน้ำมันส ก, การหลวงพ่อค่ะคือว่าปฏิบัติ ในรูปแบบอะค่ะด้วยการนั่งสมาธิยุบหน่อบ้องหน่อมาประมาณห้าปีอะนะคะแล้วครนี้เนี่ยช่วงนี้มันทําไม่ได้แล้วอะค่ะมันรู้สึกว่าหมุดหนิดแต่ว่ามันจะชอบมาดูความคิดอะค่ะแล้วก็คิดเรื่องนู้นดับพอเรื่องนี้ดับเรื่องนู้นต่ออย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อให้รู้ให้รู้ตัวนี้นะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอยู่รู้ว่ากําลังคิดอยู่ที่คุณฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้นะดีขึ้นแล้วแล้วคราวนี้เป็นอย่างงี้มันฟุ้งซ่านเกินไปไหมไม่ไม่เกินไป Oh. ถ้าฟุ้งซ่านเกินไปหมายถึงฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านอันนี้ <Okay. S 2> เกินไปถ้าฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านนี่เรียกวฟุ้งซ่านกําลังดี <c oughs> นะหลวงพ่อคะแล้วหนูควรจะปฏิบัติในรูปแบบยังไงอะคะตอนเนี้คือเราไปดูพองยุบนะใจมันจะไม่เอาใจมันจะเดินปัญญาล้นะเราก็ปล่อยให้จิตมันทํางานแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆแต่เวลาจะดูพองยุบนะั้นต้องดูให้เป็นส่วนใหญ่ดูผิด ส่วนใหญ่เวลาดูพองยุบเนี่ยจิตจะไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรหรอกถ้าดูพองยุบที่ถูกนะเราก็แค่รู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายเห็นกายพองเห็นกายยุบใจเป็นคนดูไปสบายๆใจจะสงบหรือไม่สงบไม่สําคัญแต่เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันพองบ้างยุบบ้างเป็นของที่จิตไปรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูไปเรื่อยอย่างนี้ใช้ได้แล้วคราวนี้คือหนูก็ ต้องดูแบบจิตในชีวิตประจำวันไปแต่ว่าพองยุบอาจจะยังไม่ต้องทำหรือเปล่าคะทำไปก็ได้ไม่เสียหายแต่ทำให้เป็นะนะทำเพื่อดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ได้ไปเพ่งให้จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ท้องะนะขอบคุณค่ะเบอร์2 7่สิบอยู่ข้างหน้ า, านาเบอร์ส7มเจอยู่ตรงไหนอ่ะสาเจก่อนแล้วมา27นะกับนมัศการหลวงพ่อคะ่ะก็ส่งกันบ้านที่สองะคะ่ะ รู้สึกว่าเพ่งน้อยลง อ, อถูกต้องก็แต่รู้สึกว่าโมหะมันยังครอบงําได้ง่ายะคะ่ะดีที่รู้แต่ก่อนถูกโมหะครอบไม่เห็นน่ะตอนนี้เห็นละเห็นแต่ว่ามันไม่เป็นกลางหรือว่ามันไม่ตั้งมัน่นมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตอนนี้ดูลมหายใจได้ไหมคะลองดูให้ดูสิดูผิดละเริ่มต้นไม่ใช่รู้ลมหายใจเริ่มต้นมันดัดแปลงใจก่อน ทำใจให้นิ่งก่อนแล้วสึกไหมเวลาเรารู้ลมหายใจนะสเต็ปที่หนึ่งในการรู้ลมหายใจก็คือรู้ลมหายใจไม่ใช่สเต็ปที่หนึ่งทำใจให้ซึมก่อนซึมแล้วค่อยสเตปที่สองไปรู้ลมด้วยใจซึมๆไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ลมหายใจสเต็ปที่หนึ่งรู้ว่าร่างกายนี้หายใจไปอันะอเบอร์สามเจ็ดนมันสการหลวงพ่อคะ่ะที่ฉันมาวัดประมาณสองปีแล้วก็ ก็ฟังเทปแล้วก็มาวัดบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติมาเออตอนนี้ไม่ได้ส่งกันบ้านประมาณปีกังแล้วค่ะเห็นทุกข์บ้างไหมก็เป็นระยะเป็นระยะระยะนะคะแต่ไม่ทราบว่าคิดไปหรือเปล่ามันทุกข์น่แต่ใจยังไม่กลางกับทุกข์นะงั้นเรารู้ไปใจยังไม่เป็นกลางความทุกข์เนี่ยเป็นความจริงของชีวิตนะความทุกข์เป็นความจริงถึงเรียกว่าสัจจะเพราะงั้นความทุกข์เนี่ยเป็นของจริง ให้เรารู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางไปเมื่อไรใจเรายอมรับความจริงได้ว่าชีวิตนี้มันทุกข์นะใจจะเป็นกลางกับมันแนละ้วใจจะไม่ทุกข์แล้วอะไรเกิดขึ้นในชีวิตใจเขาไม่ทุกข์อีกลไปดูนะมันยังไม่เป็นกลางเบ <ge> อร์เจ็ดสิบห6กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบสองปีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในหนึ่งปีที่ปฏิบัติฟังซีดีหลวงพ่อ จนบางครั้งเสียงของพ่อจะเข้ามาในสมาธิของลูกแล้วก็บางครั้งลูกก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ากายในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะเราเห็นกายของเราแยกออกจากกันก็ถูกแล้วนียกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูบางทีมันเหมือนคนดูแยกออกมาจากกายด้วยซ้ำไปแล้วก็หันมาดูตัวนี้นั่งอยู่ใช่ หลังจากนั้นก็จะหายไปแสดงว่าจิตของเราไม่ได้ปรุงแต่งใช่ไหมคะไม่ได้ปรุงแต่งอะแต่เวลามีสมาธิหน้าบางทีจิตมันถอดออกจากร่างกายแล้วมันย้อนมาดูนะก็ในหนึ่งปีจะเกิดสองครั้งที่ลูกปัดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรใ่ไมไม่สําคัญค<ะ>สําคัญอยู่ตรงที่เราเริ่มเห็นความจริงว่ากายก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งสําคัญอยู่ตรงนี้<ะ>เห็นไหมกายกับจิตเป็นคนละส่วนกัน แล้วครั้งนี้ดูสิร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวเราเหรอกรู้สึกไหมมันเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เหมือนเปลือกที่จิตมาอาศัยอยู่เราก็ดูไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกดูจิตบ้างจิตก็ไม่เที่ยงรู้สึกไห ม, มเดี๋ยวจิตสุขเดี๋ยวจิตทุกข์เดี๋ยวจิตวิ่งออกไปเดี๋ยวจิตวิงออวว่งเข้ามาจิตก็ไม่เที่ยงแล้วหลวงพ่อคะแล้วรู้มีความรู้สึกว่าเพือพ่อนๆนที่มาพูดด้วยบางครั้งเราจําได้ คำพูดพอสักพักหนึ่งลูกก็จะจําไม่ได้คือจไรจะตัดไปเลยแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีไม่โรคหัวเวลาพูดเรื่องไรสาระส่วนใหญ่เพื่อนบอกว่าเธอจะเป็นอะไรแล้วนี่ส่วนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วฉันจะไม่เป็นอะไรแล้วเรามีความสุขของเราแล้วกัรู้สึกว่าดีดีมากแล้วก็ตัดไม่ไม่ค่อยมีความทุกข์มากความทุกข์ม่เกิดจากความคิดนะ ความจำเนี่ยมันเป็นทรัพยากรเป็นเป็นอะไรเป็นคลังทําให้เกิดเราเกิดความคิดขึ้นมาเพราะความจําก็ดับลงไปความคิดก็ดับลงไปแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกให้มันดับนะแต่เราฝึกรู้ทันมันไปเลยเห็น <He ard. S 1> ไหมกระทั่งความจําก็อยู่ชั่วคราวกระทั่งความคิดก็อยู่ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเราเรียนเพื่อตรงนี้ไม่ใช่เพื่อดับมันนะแต่มันดับได้แต่ลูกจะเกิดนิมิต นิมิตเยอะกินั่นแหละนิมิตเกิดขึ้นให้กลับมาดูจิตดูจิตนะคะกลับมาดูที่จิตเช่นเห็นเทวดาแล้วดีใจอยากขอหวยรู้ว่าอยาก <c oughs> ย้อนมาดูที่จิตอย่างนี้ <c oughs> นเห็นผีแล้วกลัวหรือว่ากลัวะ <c oughs> ไม่ต้องไปนั่งดูนะว่านี่ผีจริงหรือผีปลอมอะไรอย่างเนี้ไม่ต้องค่ะแรกๆก็เจอแบบนั้นหลังหลังจากนี้ก็ลุกจังถ้าเห็นแล้วลุกก็ เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดานะย้อนมาดูใจ<อ>เราย้อนกลับมาดูออที่เราใช่ไหมกลับมาดูที่ใจของเราอันอื่นจะหายไปหมดเลยเ อ, อ๋อลูกขอคําแนะนำหลวงพ่ออีกนิดนึงค่ะอะไรเกิดขึ้นกลับมาดูจิตไหมนะจําไว้นะร้อยแปดบสองอยู่ทางนี้นั่งเก้าอี้เหนื่อยวันวันนะตรวจกานบ้านวันนี้สักห้าสิบได้ <laughs> นมัส ก, การครับหลวงพ่อ ไม่ได้มาส่งการบ้าหลวงพ่อสองปีแล้วครับแต่ก็อาศัยฟังซีดีกับดนิสวรบรรสการเอาครับหลวงพ่อก็ก็เห็นช่วงที่ผ่านมาก็เห็นหลายๆอย่างเกิดขึ้นครับโทษศราคะแล้วก็ความคิดคร่บหลวงพ่อบบช่วงนี้รู้สึกว่ามันมันสว่างเบาๆผิดปกติไงให้รู้ทันว่ามันสว่างนะแล้วมันจะไม่ยอมรู้กายรู้ใจมันจะมีแต่ความสุขไปมันจ้าไปข้างนอก นะให้กลับมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆดูกา ย, กายกนครับหลวงพออ่อมากระดุกกระดิกไว้แล้วรู้สึกรกระดุกกิไว้แล้วรู้สึกนะเดี๋ยวมันจะเข้ามาดูจิตแม้มจะไปค้างอยู่กับความสว่างนะครับตอนนี้จิตมันสว่างออกไปล้วไปอยู่ข้างนอกรู้สึกไ้มมันจ้าไปใช่ครับเนะี่ยกลับเ ข, ข้ามาแทนที่จะให้จ้าไปกลับพข้ามาดูกายเลยไม่ต้องกลับไปดูจิตเพราะอะไรถ้ากลับดูจิตที่ลึกไปเดี๋ยวจะไปเพ่งแรงเอาดูกายไว้ก่อนเดี๋ยวมันค่อยกระเถิบเข้ามาเอง ทัดจ้าให้ดูกายใช่ไหมกลับมาถูกใจเวลาที่รู้สึกว่ามันจึกจึ๊กจึกนี่ผมไม่แน่ใจว่าใช่สติมันเกิดเร็วหรือผมคิดไปเองครับหลวู่ตรงนี้เป่าไม่ใมันจึ๊กจึ๊กจึกหมายถึงว่าแบบมันเหมือนมความคิดมันถูกตัดไปมันเร็วเกินไปไม่เร็วเกินไปเร็วพอดีผมผมไม่น่าจะเก่งนะสติมันเกิดมันก็ตัดเกิดแล้วก็ตัดไปถูกต้องแล้วแบบบางช่วงเวลาของใบมัน ก็แทบไม่มีสติเลยพอเราช่วงเวลามันมันจึ๊กเร็วขนาดนั้นเราไม่แน่ใจเราบังคับไม่ได้สติก็เป็นอนัตตานะอาจารย์มหาบัวเคยบอกว่าเวลาภาวนานะบางวันเนะี่ยเหมือนมรรคผลนิพพานจะอยู่ต่อหน้าแนละบางวันภาวนาไม่เป็นเลยนะเป็นธรรมชาติเป็ น, นี่ยนะทุกคนเละงั้นช่วงไหนเจริญก็รู้ว่าเจริญไปช่วงไหนเสื่อมอย่าไปเสียใจนะรู้ว่าเสื่อมอยากให้เจริญรู้ว่าอยากมันจะไม่เสื่อมนาน ให้ภาวนาะพาวนาได้ดีมีอะไรจะแนะนำเช่นแนะนำผมไหม <พอ S 1> <ว>ครับรู้สึกกายบ่ยบยบยบยอยๆนะไม่งั้เจ้าออกนอกไปเ<ๆ>มื่อเจ็ดสิบหนึ่งขอบคุณครับนอนนั่งเก้าอี้อยู่นั่เก้าหลังกราบนมสักการหลวงพ่อค่ะฟังดีซีดีของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งมาวัดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยส่งกันบ้านเลยค่ะอยากจะขอคำแนะนำสังเกตไหมใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมมันสบายขึ้นค เราตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้แหละดูบ่อยๆแต่เดิมเราขี้โมโหนะตอนนี้รู้สึกไม่พอจะโมโหมันเห็นไวขึ้นถ้ามันจะเบาลงเบาลงคนรอบตัวเราจะรู้สึกเราใจเย็นขึ้นดีมีอะไรแนะนำอีกไหมคะไปดูบ่อยๆนะดูเป็นแล้วดูบ่อยๆจะดูกายหรือดูจิตคะหลวงพ่อของโยมมันช่างคิดดูจิตเอาไว้ ตแต่ว่ากายเราก็ต้องรู้นะเพราะเรามีทั้งกายามีทั้งจิตไม่ใช่ดูแต่จิตอย่างเดียวสวดมนต์นั่งสมาธินี่ต้องท<ำ>ํําทำไ ป, ำไปจะได้มีแรงสามสิบสวันพิการหลวงพ่อกับ <S <S ขอโอกาสลูกส่งรายงานสภาวจิตครับตอนนี้รู้รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็รู้สึกอยากจะพูดแล้วก็ไปทางมีจิตส่งที่หลวงพ่อแล้วก็อยากที่จะให้หลวงพ่อช่วยให้คําแนะนําผมว่า ผมยังมีอะไรที่ต้องพัฒนา<ม>ขึ้นอีกก็ไม่มีอะไรนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตเป็นยังไงรู้ไปทุกเดียวนะไม่แทรกแซงครับแล้วผมขณะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมตอนเช้าๆโดยเฉพาะช่วงเช้าๆช่วงแปรงฟันอาบน้ำ น, นะครับจะเห็นว่ากายที่มันขยับเนี่ยมันขยับเพราะความเคยชินแล้วจิตมันสั่งอย่างเร็วมากถ้า<ช>เราไม่สามารถจะสั่งจิตได้ด้วยนะครับใช่ถูกต้องที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้เห็นความจริงอย่างนี้แหละทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่เราหรอกครับ สุดท้ายคือเรื่องรูปแบบแต่ก่อนเนี่ยผมนั่งสมาธินะครับนั่งไปนั่งวัดใกล้ๆบ้านใกล้ๆที่ ท, ที่ที่พักที่ระยองนะครับแล้วก็จะนั่งแล้วก็เผลอหลับเผลออะไรไปทุกวันนี้ผมจะใช้วิธีการคือถ้าจ ะ, จะเผลอหลับนี่จะนวดตัวเองหรือไม่ก็ขยับมืออย่างหลวงพเ<อ>ทียนพอขยับเสร็จสักพักหนึ่งพอมันไม่หลับก็หยุดแล้วก็นั่งต่อโดยการบนวิเวียเรื่อยๆครับได้ได้ครับทําไปหน้าดีแล้วยี่สิบห้าเดี๋ยวหลวงพ่อขอพักสิบห้าวินาที ว่าไปครับจำแล้วเราต้องเติมน้ํามันเหมือนกันเยอะเหลือเกินตอนนี้ครับตอนนี้ก็รู้สึกมัวเล็กน้อยครับแล้วก็ที่ผ่านมาปฏิบัติรู้สึกอยากจะให้รู้สึกตัวบ่อยๆที่ปฏิบัติเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับความรู้สึกตัวมันก็เริ่มเกิดแล้วใ้ก็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วคอยดูความเปลี่ยนแปลงของเข้าไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมไม่ลากโหลเห็นไหมเห็นครับ เห็นไหมตอนใจลอยรู้สึกไหมรู้สึกครับนะพอนานแล้วฝึกไปอย่างนั้นแหะเราจะเห็นเลยจิตที่โกรธก็ช่วยคราวจิตที่ใจลอยก็ช่วยคราวจิตที่รู้ก็ช่วยคลายนะฝึกอย่างนี้ดีแล้วครับอคร้อยสามสิบสองกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ขออนุญาตถามสองคำถามนะฮะคำถามแรกคือที่ทําเริ่มทํามาแล้วก็ทําอยู่ผมทําถูกต้องและทําเป็นไหมครับทำได้นะทําไปเรื่อยเรื คอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะสังเกตไห้ใจมันเริ่มแยกกยับกายออกมาห่างๆกันบ้างแล้วตรงนี้ดูออกไหมครับนแะล้วนะมันแยกออกไปความสุขความทุกข์ต่อไปก็แยกออกไปนะกิเลสก็แยกออกไปใจเป็นคนดูไม่ประคองให้แยกมันแยกของมันเองนะผมยังติดประค อ, อ, องอยู่ไหมครับมีประคองอยู่ให้รู้ทันนะนะไม่ต้องอยากหายถ้าอยากรู้ว่าอยากคำถามที่2 ใ, ใจลอยรู้สึกหม ข้อขสองคือผมต้องปรับปรุงแล้วก็ทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับใจเราขี้โมโหเราก็ดูจิตไปนะดูง่ายหรอดูไปเรื่อยสม่ําเสมอนะคนเราไม่เก่งในวันเดียวจำไว้นะก็าอดทนนะตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปผมต้องยึดอะไรเป็นวิหารธรรมหรือเปล่าดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้นะเรารจิตใจเราครึงคร่งๆกลางๆ ร, ร, นะรักกายมันก็รักนะชอบคิดก็ชอบนะครับนะบร้อยสี่บสอง อยู่ข้างหลังหนูนั่งสมาธิถูกหรือเปล่าคะแล้วก็หนูชอบทําอะไรตามหน้าที่แล้วเหมือนทําส่งส่งไปเงี้ยค่ะนั่งสมาธิถูกหรือเปล่าเหรอนั่งสิทําใจสบายๆนะนั่งอย่างนี้แล้วมันจะสงบนะแต่ถ้าจะนั่งสมาธิแล้วให้เกิดปัญญาเนี่ยนั่งดูกายมันทํางานเช่นนั่งกายหายใจเราใจเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกแยกไปให้ฝึกแยกแยกายแยกใจไป แต่ถ้านั่งให้ใจสงบก็นั่งอย่างแตะเคี้ยแต่ทําใจให้สบายๆแล้วมันจะสงบง่ายแต่ถ้าจะนั่งให้เกิดการเจริญปัญญาต่อไปข้างหน้าก็นั่งดูกายมันหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆฝนะึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเบอร์5้าสิบสการหลวงพ่อครับผมส่งกันบ้านครั้งแรกครับมาครั้งแรกที่นี่เมื่อสมเดือนที่แล้วครับไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีคําแนะ น, นะะําไหมครับ จิตเบาขึ้นรู้สึกไหมนะจิตมันเริ่มรู้สึกตัวมันเบาขึ้นแล้วแต่ของเก่าที่ทําเนี่ยมันเพ่งนะรเราอย่าไปเพ่งแรงถ้าเพ่งแล้วจิตมันนิ่งนมันจะไม่เดินปัญญารเราปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวแล้วเรามีสติรู้เรื่อยๆไปอย่างตอนเนี้จิตไปคิดทราบไหม ร, นะรู้เล่นๆอย่างนี้นะรู้เบาๆรู้สบายๆดูแลใจมันสบายใจมันมีความสุขดูไปด้วยความสุขครนะถ้าดูไปด้วยความเคร่งเครียดไม่ดี เบอร์ไเจ็ดสิบน่ครับคุณครับครับกับสมภัสการหลวงพ่อครับอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะว่าตอนนี้ยังปฏิบัติถูกต้องอยู่ไหมครับถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เพ่งครับในภาพรวมเนี่ยดีขึ้นครับใจรู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นครับเห็นเห็นลงลงมากเลยครับ่อในแต่ละวันแล้วก็ เหมีโทสะด้ครับโกรธโกรธง่ายเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกแหวกขึ้นเลยครับดีแล้วมันรู้อย่างนั้นแหละมีมีความรู้สึกขอโทษนะหลวงพ่อมีตัวกูอยู่อูเห็นดีที่เห็นครับนะแต่เดิมนะเรามีแต่เราไม่เห็นคนแต่ละคนไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยนะเซิฟตัวกูเท่านั้นเับสนับสนุนอัตตาตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะพูดจะทําจะคิดนะก็สนองตัวกูตลอด นี่เรามีสติปัญญารู้ทันใช้ได้รู้สึกไหมเราสบายขึ้นรู้สึกว่าใจโล่งโปร่งขึ้นครับออพอ่อใจภาวนาน้ามันโปร่งโล่งเบาขึ้นครับผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพอสม่ำเสมอ น, นะอดทนไม่ใช่ทาทาหยุดหยุดนะครับครับหลวงพ่อขอบคุณครับสี่สิบหนึ่งอยู่ข้างหลังหลวงพอ่อ จิตมันไม่ตั้งมั่นนะคะแล้วก็ประคองไว้อะค่ะเออแล้วมันท้อแท้ป้อแป้ใช่ะให้รู้ทันมันไปอย่าไปยอมแพ้มันแล้วมันจะดีขึ้นหรอคะอย่าไปยอมแพ้มันอย่าให้ความรู้สึกท้อแท้ป้อแปะเนี่ยครอบงำจิตนะเราจะไปสวมวิญญาณนางเอกเยอะไปไปท้อแท้แล้ท้อะล่วถุยไม่เอานะใช่สิไม่หลอกหรอกแล้วมีวิธีทำอะไรเพื่อให้ตรงนี้มันดีเนี่ยปลุกใจตัวเองต้องสู้นะ ต้องต่อสู้เพื่อความสุขในข้างหน้านะเพื่อจะได้พ้นภูมิเราท้อแท้ไปเนี่ยเราก็จะอ่อนแอเราเดินต่อไปไม่ไหวอย่ายอมแพ้คเหมือนเห็นมันโงงๆนี่คือมันเป็นวิบากหรือว่าเราภาวนาไปแล้วเห็นหมโงหงๆไม่เป็นไรจริงๆโลกนี้ไร้สาระไม่มีอะไรหรอกแต่พอเราเห็นโลกไร้สาระนะั้นเรายังอาลัยอาวนกับมันนะเราก็เลยท้อแท้ใจโอ้จะเอาอะไรอะไรก็โงงๆไปหมดเละ ค่ะเราต้องเพิ่มรูปแบบอะไรย่างงี้ไหมคะเคลื่อนไหวไหะกระดุกกระดิกไหมเรารักสวยรักงามรักอะไรย่างงี้กระดุกกระดิกให้เยอะเรามีอะไรจะเตือนเป็นพิเศษมากกว่า น, นี้ไหมคะอย่าสวมวิญญาณนางเอกนะสวมวิญญาณนางอิจฉาวไว้สู้ตายค่ ะ, ะร้อ76จ็กอยู่ตรงไหนไปร้อ็ดสิบหกันไปนมันสการนะครับหลวงพ่อคือส่งกันบ้านครั้งแรกอยากได้คำแนะนําในการปฏิบัติหน่อยครับ ดูไปความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวนะอย่าไปแทรกแซงมันของคุณยังมีติดเพ่งนิดหน่อยนะอย่าเพ่งปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้เอาใจลอยไปแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดให้รู้ว่าใจไปคิดไม่ห้ามตอนนี้เริ่มไปดึงคืนมารู้สึกไหมมันอึดอาดอย่าไปดึงคืนนะ ให้รู้ทันใจไปเรื่อยใจมีความรู้สึกอะไรก็รู้ใจมีกิริยาอาการอะไรก็รู้เช่นไปดึงก็รู้ไหลไปก็รู้มีความรู้สึกอะไรเช่นสุขทุกข์ดีชั่วมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ใจมีกิริยาอาการอะไรก็รู้น ะ, ะต่อไปเบอ 115. ร์ร้อยสิบห้าข้างหน้าเลยมาข้างหน้าสองคนอยู่ด้วยกันวันนี้สู้ตายเก็บได้หมดห้องเลย นมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงสามเดือนที่หลวงพ่อให้ไปภาวนาเองอะคะ่ะก็จะเห็นกิเลสเยอะอะค่ะแล้วก็เห็นใจที่ท้อแท้ไหมเห็นนะน่อจาตัวนั้นเป็นตัวจุดอ่อนของเรานะ <c oughs> ต้องเข้มแข็งตัวนี้ถ้าอ่อนแอรเราสู้ไม่ได้เพราะเราสะสมความอ่อนแอมานานนะข้ามภ พ, พร้ามชาติเราต้องสู้ด้วยความเข้มแข็งตอนนี้มันก็สู้มากคะ่ะแล้วมันก็เร่งความเพียรแล้วก็ทํารูปแบบเยอะทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าจะทำรูปแบบเยอะต่อไปอีกอย่างนี้ได้ไหมคะได้ทำได้นะมีความรู้สึกว่าของเมาเนี่ยหลวงพ่อต้องให้เรียนเอ ง, ง<ช>ต้องต้องทนทนเอานะทาไปทำไปมันมีสภาวะอันหนึ่งที่มีความรู้สึกเหมือนติดนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าจิตเนี่ยจะดิ้นไปทางไหนทางกุศลหรืออกุศลนะคะมันจะมีตัวนึงมันจะรู้สึกเหมือนกับ ก่อนที่มันจะมีตัวนี้มาเนี่ยมันจะมีจิตที่นิ่งอะค่ะแล้วมันก็จะมีความเบื่อมาทุกครั้งอะค่ะให้รู้อย่างนั้นนะอันนี้มันเรียกว่าติดไหมคะไม่ติดอะมันเป็นยังไงรู้เป็นขณะขณะไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะดีพรอนานดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกไหมสามเดือนเนี้ยดูออกหรป่าดูออกนะแล้วมีแรงมากขึ้นละใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อตัวเยอะขึ้นแล้วแต่เดิมเราอ่อนแอนะแล้วเราหนี หนีการที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองแต่จะหนีด้วยการพิยุ่งกับคนอื่นแทนนั่นเป็นวิธีหนีของจิตอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อถึงกันกลับมาสู้ก่อนตอนนี้มันก็ยังมันก็ยังดิ้นนะคะแต่ว่ามันรู้ทันขึ้นแล้วจิตที่มันดิ้นตลอดเวลาเนี่ยคือมันดิ้นอยากเป็นครูตลอดนะคะเออนัะให้รู้ทันนะทําไมมันอยากเป็นครูแล้วไหมเพื่อมันจะไม่มาดูตัวเองเนี่ยกิเลสตัวนี้ร้ายเลย มันหนีนะี่หนีการที่จะดูตัวเองแล้วมันจะได้มาอ้างกับตัวเองนะว่ามันไม่ได้เพราะมันไม่ได้ดูมันไม่ได้เพราะมัวไปสอนคนอื่นอยู่ตัวนี้มันหลอกเอางั้นอย่าไปเชื่อมันก็คือทําอย่างนี้ต่อไปอีกนะ ท, <ำ>ทำนะทำแล้วดีแล้วถ้าเมาเดินจงกรมเยอะๆแล้วนั่งสมาธิเยอะๆอย่างนี้จะไปติดนิ่งไหมคะไม่ติดนะได้ใช่ไหมยังไม่ติดนะดนะอ้อ่คนสุดท้ายน้ำมัสักครังครับหลวงพ่อครับผมฝึกมาเจดเดือนนะครับ สเดือนคือแรกๆที่ฝึกเนี่ยครับไม่ต้องพันนมือแรกๆที่ฝึกเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่าเห็นชัดแล้วก็รู้ว่าจิตแบบไปเห็นโลคะโลราคะโทสะอะไรเนี่ยครับแต่พอสองเดือนหลังเนี่ยครับคือก็จะเห็นด้วยความผี่เท่าๆเดิ ม, มครับแต่ว่าไม่เห็นแล้วครับว่าว่ า, วากโกรธอยู่เหลืออะไรทั้งน้นที่ยังมีโกรธอยู่นะครับแต่ว่าใจ ม, มันเฉยมันเนยเนยไปนิดหนึง่งนะมันรู้แบบเฉยเฉยมันรู้แล้วโดยปัญญามันล้าหน้าไปนิดหนึง่ง มันรู้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปงั้นดูบ้างไม่ดูบ้างเดี๋ยวมันก็ไปนะงั้นขยันนิดนึงนะกลับมารู้สึกกายมารู้สึกใจเพิ่มความจงใจให้นิดนึงนะงั้นมั น, ม, นมันคล้ายๆจิตมันรู้แล้วว่าไอ้นี่เดี๋ยวก็ไปงั้นดูบ้างไม่ดูบ้างแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนะมันจะดีอย่างเนี้ยนะขี้เกียจเลเอาเชิญกลับบ้าน